Book 2ส <43. 43. S 3> ี่ ส, สิ บ, บาสามี่สิบสี่สิบสามสี่สี่สบสา่บี่าส่สิบสามสี่สี่สิ่าบบีา ยีราฟอยู่ตรงนั้นดีซนะานา ada เจระพะหมีอยู่ที่ไหนดีมะนา ada บรู๊งช้างอยู่ที่ไหนดีมะนา ada กาจ้า ง, งูอยู่ที่ไหน ดีมานะ ada ular สิงโตอยู่ที่ไหนด i มาน a ada สิงห์ดิฉันมีกล้องถ่ายรูปดิฉันมีกล้องถ่ายวิดีโอด้วย ฉั y ah ah a ็ u ีก a ้องฟิล์มด้ว a ดิฉันจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหน di m a n a แบตเตอรี่อนกแพนกวินอยู่ที่ไหน i mana ada p e n g u ินจิงโจ้อยู่ที่ไหน Di mana ada kanguru แรกอยู่ที่ไหน di mana ada badak ห้องน้ําอยู่ที่ไหน di mana ada k a m a r kecil มีร้านกาแฟอยู่ตรงนั้น di sana ada cafe taria มีร้านอาหารอยู่ตรงนั้นดี s นะานา ada ร, ร้านอาหาอูดอยู่ที่ไหนด i ม a นา ada unta กลีลาและม้าลายอยู่ที่ไหนดะนา ada ลีลาและม้าลายอยู่ที่ไหนดีมะนา ada โกลีลาและม้าายอยู่ เสือแอละจระเข้อยู่ที่ไหนดี่ไหนที่าหนทีหนที่ไหนน